อตีตักข้าณาวิถีที่เกิดต่อจากจากขุทวาริกาติมหันตารมวิถีรับอดีตูปารมสมูหักข้าณาวิถีอันนี้ก็ชวนะก็จะเหมือนกันเลยสังเกตดูนะการมาวางสิบกามชาวนะหยิบเจ็ดเว้นโทษาสองอันนี้ก็ว่าอันต้นอันที่สองก็ว่าแต่วิธีนี้เกิดเป็นวิถีส่วนรวมรวบรวมนั่นแหละสูหักเนี่ยรับปันอารมณ์ที่เป็นส่วนรวมเนี่ยรับอดีต อดีตรูปารมณ์นั่นเองยังเป็นปรารมัาสอยู่ตถาลัมมณะเกิดพอหลังจากนั้นอัฏฐะฆะหน า, าวิถีนี่เป็นรู้เนื้อความรู้ความหมายรู้รูปร่างสันฐานหรือกิริยาการของรูปารมณ์อย่างนั้นรู้แบบไหนรู้แบบอัฏฐบัญญัติรู้อัถาบัญญัติรู้ยังไงบางทีก็ว่าอัฏฐบัญญัติที่เกี่ยวกับเนื้อความในที่นี้รู้สันฐานในที่นี้คือรู้สันฐานเนี่ย สันฐานของรูปของรูปอารมณ์นั้นๆว่าสันฐานเป็นลักษณะไหนว่ากลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหรือลักษณะยาวโค้งงออย่างไงเป็นต้นแสดงว่าคือรู้อาาัฏฐะเพราะไอ้วิธีรวบรวมนี่คือรวบรวมหมดแล้วรวบรวมทุกจุดของของของรูปอารมณ์ที่อยู่ในแผ่นนั้นอยู่ในภาพนั้นเนี่ยเมื่อรวบรวมเบ็ดเสร็จแล้วทีนี้ก็ตัวสมูหะ ก, ก็ตัวอัฏฐะก็เกิดจะรู้สันฐาน รู้สันฐานก่อนที่จะไปรู้ว่ามันคืออะไรรู้สันฐานก่อนใช่ไหมก่อนที่จะไปรู้ว่ามันคืออะไรถ้าเรามีวัตถุชิ้นนึงเนี่ยเอามาปิดเข้าไว้แล้วค่อยๆเปิดออกเปิดออ ก, ออกไหมไอ้ตัววิถีจะรวมไปได้ตลอดอ่ะเมื่อเปิดออกได้นิดหนึ่งมันก็รวมเสร็จแล้วนิดนึงเปิดออกอีกนิดหนึ่งก็จะรวมเพิ่มอีกนิดนึงเปิดออกนิดนึงก็ทั้งรับทั้งไอ้นะทั้งรับทั้งรวม ทั้งรับทั้งรวมทั้งรับทั้งรวมเนีสันฐานก็จะรวบรวมในขณะนั้นไปด้วยใช่ไหมอัอย่างแค่เราเขียนภาพบนกระดานเนี่ยถ้าเขียนภาพอีกภาพหนึ่งแต่ว่าให้มองทีละจุดปิดไว้ทั้งหมดแล้วก็ค่อยดึงไปเรื่อยๆอย่างไอตัวส่วนรวมเนี่ยมันจะขยายมันจะเปลี่ยนแปลงมันไปเรื่อยไปตามสันฐานโค้งเว้าของภาพนั้นมันจะเป็นลักษณะนั้นครับมันรวมไปเรื่อยมันรับไปเรื่อยมันเห็นไปเรื่อยเป็นต้นแล้วก็รวมไปเรื่อยอย่างเงี้ยไอสันฐานมันก็เลย จนในที่สุดจริงๆจนเห็นสันฐานแค่ไหนก็สมมุติขึ้นมาอีกทีเป็นนามเมะข้าหน้าวิถีเกิดว่ามันคืออะไรแต่ในขณะเดียวกันในคําว่านามในที่นั้นบางทีมันเกิดทุกๆขนาดนะเช่นว่าเวลามันรวมแค่นี้บางทีเออมันเหมือนนั้นเหมือนนั้นเหมือนนั้นชื่อนั้นชื่อนั้นมองเอ็นไหมในที่สุดจริงๆจะนึกอ้าว อ, อันนี้มันคือสิ่งนี้เป็นต้นเลยนะก็ก็เรื่องเรื่องความเร็วของวิถีนี่เร็วมาก ก็ชนิดที่รูปเคลื่อนไม่ทันเลยฮนะความเร็วของเขาบางทีให้คนไปอะไรดูเนี่ยให้ไปปิดแล้วไปดึงอะไรดูมันโอ้โหจัดแจงเป็นเสร็จเลยไม่ใช่รับแค่ตรงนั้นนะรับแคคนด้วยคนคนนั้นขึ้นไปยืนด้วยมือที่ลากชักหรือคอยปิดแผ่นภาพนั้นด้วยอย่างนี้เป็นต้นมันรายละเอียดมันค่อนข้างเร็วมากใช่ไหมนั่นแหะคือวิธีจิตเป็นอย่างนั้นเพฉะั้นถ้าครั้งจากขุทวานเนี่ยก็จะเป็นอย่างเนี้ย อตตักข้าณวิถีสมุหักข้าณวิถีอัตถักข้าณวิถีและนามข้าหันวิถีนี่เป็นอย่างนี้นี่ลักษณะของวิถีเป็นอย่างนี้นะทีนี้ถ้าอีกวิถีหนึ่งฮะอ๋อ<า>ต้องต้องเว้นเนี่ยหาสีตุปาถ้าจิตนั้นรับรับอะไรแล้วไหมรับปรมัตดไม่สามารถรับบัญญัติได้เออเว้นออกนะครับตรงนั้นเว้นออกตรงนี้ต้องรู้ อในวิถีที่เท่าไหร่นามักใช่ไหมอัฐากใช่ไหมเอออัฐากต้องเว้นแล้วเพราะอัฐากเป็นบัญญัติแล้วก็ต้องเว้นหาสีตุปาถ้าจิตถ้ากรถาบอกหาสีตุปาท้าจิตทำไมจึงเว้นหาสีตุปาถ้าจิตรับกรารมเจิตห้าสี่เจสิก้าสองรูปยี่แปดที่เป็นปรามาตัตก์เขาอยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มปัญจวีสา ป, ปริตตำหีชาจิตตานิมาคาเตเอเกาวีสติโอเอ้ไม่ใช่นี่อยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มจิตยี่สิบห้ดวง เขารับอารมณ์หกที่เป็นประมัตเท่านั้นถ้าหากว่าอารมณ์ถ้าเออัรงนี้พอพูดถึงตรงนี้คือรูปอารมณ์เนี่ยรูปารมณ์เนี่ยนะถ้าถ้ารูปอารมณ์นั้นปรากฏทางจักรุทวารูปารมณ์นั้นเป็นรูปารมณ์ไหมเป็นรูปารมณ์ใช่ไหมแต่ถ้ามาปรากฏทางมโนทวาวรยังเป็นรูปารมณ์อยู่ไหมเป็นรูปารมณ์เป็นธรรมอารมณ์ไหมเอายังไงดี นางเข ต, ตามกันนี้นางเครียดกันแล้วกันขอา น, นี้ปัทวีเนี่ยนะปัทวีใช่ไหมพอปรากฏทางกายะทวารวิถีเป็นเป็นอะไรเป็นปัทวีโผล่ถ ภ, ภารมใช่ไหมเป็นโผล่ถ ภ, ภารมใช่ไหมปรากฏทางกายะทวารวิถีอ่ะถ้าลงสู่ทางมโนอไอปัทวีนั่นนะ่ะจะเป็นอะไร แล้วรูปารม์ล่ะถ้าปรากอดทางปัญญาถ้าหากลงทางมโนเป็นเลยเรี <c oughs> นยนไหมพวกเราเดาถูก <c oughs> ที่จริงคืออย่างนี้กะที่เขาบอกว่ามโนทวารรับอารมหกนะถูกแล้วท่านว่าง่านเนะมืเ่อไปได้ไปได้หลักฐานแปลกๆตรงนี้เป็น เ, เ, เรื่องน่าคิดอยู่ที่จริงก็คือที่เรียกคำว่ารูปารมคือเรียกจากสัมพันธ์กั น, นะนแท้จริงก็คือเขารับได้นะทั้งมโนทวารเนี่ยแต่รับรูปารมในฐานะเป็นธรรมอารมนี่ต้องบอกนะ พาอรูปารม์นั้นเวลามาเกิดทางเวลาเวลาปัทวีธาตุเป็นต้นมาเกิดทางมโนทวารนี่จะไปเกิดในลักษณะลักษณะของปัทวีธาตุคือลักษณะแข็งลักษณะอ่อนเป็นต้นนี่หรือลักษณะเย็นหรือร้อนเป็นต้ น, นลักษณะหย่อนตึงลักษณะที่ไหวไปมาเป็นต้นนี่ ลักษณะอย่างนี้แ ท, ท้จริงก็คือปรากฏทางมโนถวะในฐานะเป็นธรรมอารมณ์ดีก้าว่างั้นเลเราบอกเออก็เป็นเพียงแท้จริงเขาบอกก็คืออารมณ์หกนั่นแหละก็คืออารมณ์หกนั่นแหละก็ต้องยืนตามบอกาอารมณ์หกนั่นแต่ว่าอารมณ์หในฐานะเห็นอะไรผู้ยาวกันเลยย้อยเนี่ยมองมอ ง, มองในลักษณะเช่นนะี้แต่ว่า ไม่ชัดใช่ใช่ตรงเนี้คือมันอย่างนี้คือจริงๆก็คือรับอารมณ์ทั้งหกใช่ไหมโดยหลักเน่ยใช่เลยแหละรูปอารมณ์ศัธารมณารมลาาัษสารมโผฏฐพรม์และธรรมารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตใช่ไหมทีนี้ถามว่ามโนทวารเนี่ยไอตัวมโนทวานเนี่ยถามว่ารับอารมณ์หกถามว่าใช่ไหมก็อารมณ์หกนั่นไง แต่อารมณ์หกที่ปรากฏทางมนุษวานนะเป็นอารมณ์หกที่ปรากฏทางมนุษยวานนะมันอย่า ง, งานั้น อ๋อตอนนั้นก็เป็นโัวถภารมแต่โพวธภารมนั้นถ้ามาทางมโนถวานเป็นอะไรภามนั้นตอนนั้นเกิดที่ะล้ครบี่อาาร์ดคือตรงนี้เนี่ยนั่นอย่างนี้ที่อาจารย์พูดตรงนี้ท่านก็ยกตรงไหนด้วยเพิ่นเอิญ น, ออนไปไปเห็นไปรู้จักยอมคนหนึ่ง แกชี้แกก็เอาแกก็เอาหลักฐานให้ดูพอหลักฐานให้ดูเออแปลกดีแกก็บอกเนี่ยถ้าหากแกสอนจะสอนตามนี้นะตามในยาของพันธุุรุษอาจารย์แกก็บอกว่าใช่แต่ในนี้ว่างเนี่ยพระท่านจะว่างเนี่ยเขาบอกเอแล้วแล้วเอาอยัางไงอผมเอาอย่างงี้สิเขาบอกอาจารย์ก็เลยยกสูตรหนึ่งพัทเทกรัตสูตรยกภูมิมาแ ก, กบอกว่า ก็นั่นแหละในที่นั้นก็คือตรงนี้ย่าก็เลยมานั่งมานั่งวันนี้เลยมานั่งสุนทนาตรงนี้ที่บกว่เนี่ยท่านบอกว่าแกบอกว่านะดินน้ําไฟลมเป็นต้นเนี่ยถ้าปรากฏทางกายภาพศาสตร์เป็นต้นเนี่ยแต่ถ้าลงสู่ทางมโนเป็นธรรมอารมณ์อัตถกถาท่านชี้เห็นเลยเฉพาะการทางมโนทวานนะั้นไปรู้ลักษณะไปรู้ลักษณะของสิ่งสิ่งนั้น ฉะนั้นไอรูปอารมณ์นั่นแหละสรัทธารมณ์นั่นแหละสิ่งต่างๆเหล่านั้นแหละจึงลงเป็นธรรมอารมณ์ไปก็ต้องบอกรับอารมณ์หกนั่นแหละว่าไงแต่อารมณ์หกนั้นโดยฐานะมาแปลสภาพเป็นธรรมอารมณ์ก็บอกอย่าไปยืนก็บอกอย่าไปยืนคําว่าธรรมอารมณ์ได้แก่จิตแปดสิบเก้าเจตสิกห้าสองภาษากรูปดดหอย่าไปยืนแค่ตรงนั้นปียะรูปังสายตะรูปังโมแกก็ยกมาเยอะ ปียรูปสาจะรูปมันไม่ได้แก่โลกยะจิตแปดิบเอ็ดเจตสิกห้าสิบสองรูปยี่สิบแปดเป็นธรรมอารมณ์เห็นไหมนะพอยกตรงนั้นมาเราก็อบอกเออถ้าอย่างนี้เยอะชัดเลยทั้งกันฟอฟอฟมันจนหลักฐานเงี้ยจนหลักฐานเขามันจนหลักฐานเขาโมะไหเป็นทั้งเป็นทั้งเป็นทั้งปัจจุบันเป็นทั้งอาณาเป็นทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันวิธีไหนวิธีนี้ใช่ไหมใช่ไหม วิธีนี้ในที่นี้ต้องบอกต้องตามวิถีบนเนี่ยต้องตามต้องตามวิถีนตามที่อาจารย์เนาะาาต้องก็ต้องปฏิบัติธรรมนอาจารย์ที่บอกว่าลเนยไม่รู้ผมจะต้ใจ่านตรงนี้ตรงนี้เราเราเร า, เราแค่ฟังกันแต่รายละเอียดอาจารย์ยังไม่ได้ อ, อาจารย์ยังไม่ได้ไปเก็บรายละเอียดเนี่ยนี่ฟังฟังดูเท่านั้นเอง แต่ว่าดูแล้วของเขามีเหตุผลแค่นั้นเองที่เอามามาสนนานานดูแล้วที่พุทธิที่แกพูดถึงรู้สึกคือจริงๆคือถ้ามองถึงจุดตรงนั้นน่ยมันใช่ไงคือมันมันเปลี่ยนไงไอ้ว่าถูหรือรูบอารมณ์นั้นเป็นต้นเน่ยมันมาแปลงมันมันเปลี่ยนออกไปแต่ต้องบอกว่าเป็นอารมณ์หกไว้ต้องยืนตรงนั้นเขาไว้แต่จริงๆคือต้องไปรู้ลักษณะของสิ่งนั้นไปแล้ว ต้องไปรู้ลักษณะของสิ่งนั้นไปแล้วชื่อของสิ่งนั้นไปแล้วอะไรเป็นต้นเลนยแต่ก็เป็นเรื่องน้าคิดแต่การ<ๆ>การยืน<ๆ>การยืนอารมณ์หกไวเนี่ยมันมันมันมันชัดจริงไหมถ้ายืนอารมณ์หกไวเนี่ยมันมันไม่นน่นแต่ที่จะไปทำความเข้าใจอีกทีนั้นก็ต้องต้องต้องไหวอีกทีใช่ไหมแต่จริงๆเรายืนอารมณ์หกไวนี่แหละดีแล้วยืนตามทานเ <ๆๆ S 1> อต่อไปไปดู ดูในวิถีนี้เอ๊เคยเห็นเขาเขียนวิถีให้ดูอีกทีนีเดี๋ยวไปดูก่อนตรงเนี้ยในวิถีเกี่ยวกับในเรื่องของถ้าเราจะเขียนวิถีอ๋อรู้สึกในปัญหากันีอะต่อไปขยายเกี่ยวในเรื่องของวิถีจิตเนี่ยนะท่านบอกว่าตถาณฑติกามโนทวารวิถีเมื่อเห็น ผู้ใดผู้หนึ่งกวากมือเรียกก็รู้ทันทีว่าผู้นั้นเรียกเราเนี่ยนะวิถีจิตจะเกิดยังไงอ่ะท่านบอกว่าจักขูทวารวิถีเนี่ยแลเห็นคนที่กําลังกวักมือเรียกแต่การเห็นนั้นเป็นแต่เพียงเห็นเท่านั้นน่ยยังไม่รู้เรื่องราวแต่ประการใดว่าไงการเห็นนั้นเน่ะเป็นแต่เพียงเห็นเท่านั้นเน่เพราะจักขูทวารวิถีที่ไปรับรูปรมณ์ที่ใช่ไหม รูปารมณ์ที่กวักมือเรียกที่กวากมือคําว่ากวากมือเรียกเนะี่ยนะไม่ใช่เสียงเรียกเนะียกวากมือนั้นเป็นอาการแห่งการเรียกอ๋อเหรอการกวากมือนั้นเป็นอาการแห่งการเรียกเรียกผู้ที่กําลังมองดูนั้นนะ่ะทีนี้วิถีจะเกิดขึ้นก็คือลําดับแรกก็คือจักขู่ทวารวิถีก็เริ่มตั้งแต่รูปารมณ์ปรากฏครั้งแรกที่อุปาทักษณะของอตีตะพวังไปดับที่ แต่ฐานอำนาดวงที่สองในจักขู่ทวาริกาอาติมหันตารวิถีเฉพาะเป็นวิถีนี้ใช่มอตัติแต่พระวังพระวังก็รนะพระวังคู่ประชท่านั้นเป็นมโนทวาราวรชนะก็ว่าไปต่อมาก็เป็นปัญจทวาราวรชนะลําพึงถึงอะไรลําพึงถึงรูปารม์รูปารม์ที่ไหวๆอยู่ข้างหน้าใช่ไหมนี่ลำลำพึงนั้นเนี่ยจะเป็นรูปอารมณสามชนิดนะไอ้ที่ไหวๆอยู่ข้างหน้า อติถะอิทธาหมาชะตาหรืออนิถะใช่ไหมถ้ามายังบอกสามชนิดใช่ไออ ไ, ไม่ไม่ไม่รู้เลยอ า, ารมณ์สามชนิดทีนี้เอะบางทีถ้าเราจะแยกไดไ้ถ้าไปดูในรายละเอียดเนี่ยถ้าสมมติว่าเสียงเนี่ยถ้าเสียงของมนุษย์เนี่ยจะต้องเป็นอติอทธาลมไหมเอาอะไรเป็นตัววัดเออโรย <laughs> อะไรเป็นตัวัดนะมนุษย์ก็เกิดจากกุศลกรรมใช่ไหมในขณะที่ท่านเปล่งออกมาก็น่าจะเป็นอัติถารมหรือเป็นอิทธารมแนะว่าถ้าสุนัขเข่าหอนี่ก็เป็นบาปอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าถามอย่างเงี้ยนี่นไหมไอ้ตรงนี้เนี่ยใช่ไหมจ๊ะเห็นไหมไอ้ตรงนี้ต่างหากพูดนิ่มๆนี่แหละแต่พูดด้วยโทสะด้วยราคะด้วยอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นใช่ไหมก็สรุปแล้วตรงนี้ก็กว่า แล้วก็จักขูวิญญาณทำทัศนกิจสัมปติชนะรำสัมปติชนะกิจตอนนั้นยังไม่รู้อะไรเลยเน่ยใช่ไหมก็ทํากิจในการเห็นรูปารมณ์รับรูปารมณ์สันติระกาคทาสันติราณากิจพิจารณา ว, วธฏพนธะก็ตัดสินจะ ต, ตัดสินโดยความเป็นบุญเป็นบาปอะไรก็แล้วแต่แต่จริงๆก็คือว่าวัตถุประสงค์มันเป็นอยู่ว่ารับรูปารมณ์ที่ไวๆอยนี้ยนะพอรูปารมณ์ดับ ก็รับใช่ไหมการรับแต่ละครั้งเนี่ยการกวักมือแต่ละครั้งเนี่ยรับไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยจากขุทวารละวิถีหม่อใช่ไหมรับรูปารม์นั้นไม่รู้เท่าไหร่ต่อมาตีตักขณวิถีก็รับอดีตรูปารมณ์ทันทีรับอดีตรูปารมณ์เป็นวิถีที่เกิดต่อจากจากขุทวารละวิถีรับรูปารมณ์ที่เป็นอดีตคือรูปารมณที่จากขุทวาร แล้ววิถีรับมาแล้วก็ดับไปแล้วนั่นเองการเกิดขึ้นของจกักรุทวาร ว, วิถีและอตีตักขณาวิถีนี่สลับสลับกันเกิดสลับกันเนี่ยเยอะมากมายว่ยา ง, งั้นเดงคานวณไม่ได้ประการต่อมาเลยต่อสมูหักขณะวิถีเป็นวิถีที่เกิดต่อจากอาตีตักขณะวิถีรวบรวมเลยรูปารมณ์ที่จกักรคุทวารวิถีและอตีตักขณาวิถีรับมาแล้วก็ดับไปเนี่ยนะเกิดขึ้นอีกมากมายอีกเหมือนกันในการที่รวบรวม ประการต่อมานี่อัดถักขาณาวิถีเลยเดี๋ยเป็นวิถีที่เกิดต่อจากสมูหคขณาวิถีก็รู้เนื้อความคือรู้ว่าผู้นั้นกําลังกวากมือรู้อาการที่กวากมือสันธานที่กวากมือไหวๆเนี่ยรู้สันธานว่าไอ้สันธานนี่คือสันธานการกวากมือใช่ไหมทีนี้ประการต่อมานิทิกายวินญาตเป็นวิถีที่เกิดต่อจากอัดถคขณาวิถีเนี่ยก็รู้ว่าผู้ที่กําลังกวากมือนั้น เป็นการกวากมือที่กำลังเรียกใช่กายยวินยักษ์เนี่ยรู้อาการของกายใช่ไหว่าลักษณะอย่างนี้คืออาการในการเรียกเรียกเข้าไปหาใช่หมลักษณะอย่างนั้นประการที่6ก็คือว่าอธิปายคกษาวิถีเป็นวิถีที่เกิดต่อจากกายวินยักษณาวิถีเนี่ยเกิดขึ้นมาก็รู้ว่าผู้นั้นมีความประสงค์ให้เราไปหาและเราก็ได้เข้าไปหานั่นแหละ ลักษณะเช่นนี้ก็ว่าวิถีจิตจะเกิดขึ้นอย่างนี้โอ้ขนาดคนกวากมือเรียกแค่นี้ยังขนาดนี้นะยอมตัวมองเห็นไหมเนี่ยว่าเป็นไปตามลำดับลักษณะเช่นนี้เดี๋ยวยอมต๋ยต้องให้มหานุกชิตต่อให้อีกรอบหนึ่งก็ ร, รับปฏิรับปฏิรูปารมณ์ใช่ต้องรับใช่ไหม น, นี่เป็นในลักษณะเช่นนี้เนะอย่างนี้เขาเรียกว่าในขณะที่คนอื่นกวากมือเรียกทีนี้ถ้าหากว่าถ้าหากว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งละเมื่อขณะได้ยินที่เขาเรียกชื่อเราละเออวิธีจะเป็นยังไงอา่าถ้าหากว่าเป็นในขณะที่เขาเรียกชื่อก็รู้ทันทีว่าเขาเรียกเราในวิถีเจ็ดวิถีเกิดนะ ลำดับแรกคือโสตาทาวาริกาตีมหันตารมวิถีได้ยินเสียงเท่านั้นแต่ยังไม่รู้นามบัญญัติและก็ไม่รู้อัดถักบัญญัติก็แปลว่าในขณะนั้นยังไม่รู้ชื่อยังไม่รู้เนื้อความเลยใช่ไหมแต่ได้ยินเสียงเท่านั้นออลักษณะของการได้ยินเสียงเนี่ยนะในขณะที่ได้ยินเสียงประโยคที่เรียกคําพูดที่เรียกนั้นนะ่ยถ้าบอกนี้ ถ้าเรียนรู้ตรงนี้ก็ต้องเรียนรู้เรื่องสมูหักไปเลยในตัวเพราะเสียงบางเสียงเนี่ยมันเป็นพยางเดียวใช่ไหมเสียงที่พยางเดียวเนี่ยเป็นเสียงที่ไม่มีสมูหักไก่กาขากินอะไร ก, กลุ่มพวกนี้ น, นะเพราะั้นการที่จะรวมประโยคว่าคำพูดเพื่อจะได้ให้รู้ความหมายของคำพูดนั้นเนี่ย แสดงว่าในลักษณะของคําพูดนั้นก็จะต้องก็จะต้องมีคําพูดเกินหนึ่งคำพูดขึ้นไปเป็นอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นจะไม่เกิดทางนั้นจะไม่เกิดโสตทวารเวิถีจะเป็นอติมหันตารมวิถีได้ไหมเป็นมหันตารมวิถีได้ไหมได้เหมือนกันเป็นอติมหันตารมวิถีก็ได้เป็นมหันตารมวิถีก็ได้ตามปัญญาทวารหลังจากนั้นก็เป็นอติมหันตารมเออในอติตาคนาวิถีเนี่ย ในอตีตักขณวิถีนั้นเป็นอติวิภูตารลมหรือวิภูตารลมวิถีได้ทั้งสองวิถีนะแล้วแต่แล้วแต่ถ้าจักขูทว่เออถ้าโสตทวารเป็นอติผันตารมวิถีต่อต่อมาก็จะเป็นอติมหันตารลมวิถีต่อต่อมาก็จะเป็นวิภูตารลมอย่างนี้เป็นตัวมองนะเวลาวิถีที่เกิดต่อที่เป็นอตีตักขณวิถีเนี่ย อตีตักข้าวิถีนี่เป็นวิถีที่เกิดต่อจากโสตาทวานรับสัทธารลมที่เป็นอดีตคือสัทธารล์ที่โสตาทวานลวิถีที่รับมาแล้วก็ดับไปแล้วนะแล้วก็เกิดขึ้นอตีตักข้าววิถีทั้งสองวิถีเกิดขึ้นสลับกันนะเขาเกิดขึ้นสลับกันมากคํานวณไม่ได้ประเกิดเท่าไหร่ประการต่อมาก็คืออะไรเกิดต่อสมูหักข้าววิถีเกิด ต่อจากอตีตักขณวิถีก็รวบรวมสัตธารมณ์ที่มีมากกว่าหนึ่งคำมากกว่าหนึ่งคำถ้าคําพูดคําเดียวเนี่ยสมูหักจะเกิดไหมไม่เกิดเอ๊ะถ้าหากคําพูดคําเดียวจะจะรู้ความประสงค์ไหมไม่รู้ใช่ไหมฉะนั้นชื่อคําเดียวนี้สมูหักขณวิถีไม่เกิดนะคําพูดคําเดียวเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นยอมตุจะเรียกเรียกลูกชายว่านินเนี่ยนินคําเดียวเนี่ย สมูหักข้าวิถีไม่เกิดเอ้าทำไมจึงไม่เกิดยมตุยรู้ไหมเพราะอะไรคำว่านินคำเดียวทำไมสมูหักไม่เกิดเพราะไม่ต้องไปรวบรวมท่านนินนินนี่สิต้องรวมต้องเกิดเพราะมีคำสองนินใช่ไหมนินนินคำหนึ่งอีกนินอีกคำหนึ่งมารวมกันอย่างนี้สมูหักเกิดมองเห็นยังเข้าใจไหมนะสมูหักข้าวิถีเนี่ยจะเกิดก็คือสองคำขึ้นไปสองพยางขึ้นไป ถ้าคำเดียวเนี่ยไม่เกิดเพราะไม่รู้จะรวมอะไรเยอะมีวัตถุหนึ่งชิ้นเนี่ยมันก็รวมกันไม่ได้ไม่รู้จะไปรวมได้ไงถ้าสองชิ้นขึ้นไปเนี่ยรวมได้อย่างนี้เป็นต้นเหมือนกันสมุหคณ า, าวิถีเนี่ยก็จะเกิดนะขึ้นหลายสิบรอบแล้วแต่คำพูดจะมากหรือน้อยถ้าคำพูดมากเช่นประโยคของการเรียกเนี่ยถ้ามีมากสมุหก็เกิดมากหรือคาพูด น, น, นั้นเนี่ย เอางี้ในขณะที่ฟังอยู่เนี่ยฟังบรรยายฟังสาธยายฟังอะไรเนี่ยสมุหหักต้องใช้เป็นประมาณอย่างยิ่งไหมต้องเกิดอย่างมากเลยใช่ไหมถ้าอย่างนั้นฟังไม่รู้เรื่องเลยนะแล้วต้องต้องเกิดแล้วก็คอยรวบรวมประโยคให้ติดกันแล้วก็ยังจะมารวมไว้ประโยคคําพูดนี้นีหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งยากไม่ใช่ง่ายเลยฉะนั้นกว่าที่เราจะรู้อะไรมาได้เนี่ย ทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีนี่ต้องใช้ความตั้งใจจริงๆนะตั้งใจที่อันดับแรกคือตั้งใจที่จะฟังเสียดายนะชีวิตที่ผ่านมาบางทีเราไปตั้งใจฟังอสัตรธรรมเนี่ยนะโอ้โหรู้จะโทษใครบางทีไปนั่งเป็นวันๆเลยนะที่อยากจะรู้อสัตธรรมเนี่ยทั้งๆที่ความรู้นั้นก็ไม่ได้เป็นปัจจัยแก่การเจริญรุ่งเรืองในในกุศลธรรมอะไรเลยเนี่ยเราก็ทนที่จะฟังบางทีฟังเพลงเนี่ย ก็ฟังอยู่งั้นน่ะในกลุ่มของบุคคลที่ฟังเพลงรวบรวมเนื้อหาโอ้ยลึกซึ้งมากกว่างั้นเลยนะใช่ไหมใช่ไหมฟังแล้วอุย้ยเพิดเพลินมากรวบรวมแล้วรวบรวมอีกก็ไม่เห็นอัดไม่เห็นสาระในความหมายนั้นอะไรได้เลยทั้งๆ ท, ที่ไม่มีอะไรมากคำพูดอยู่ไม่กี่คำถ้าเอารีบเอามาคำพูดพูดให้จบเนี่ยแป๊บเดียวแลวจบแต่เขาเอามาใส่ดนตรีใส่อะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ย แล้วเรายังจะต้องไปรวบรวมด น, นตรีก็ไม่ได้เห็นความจริงของเสียงด น, นตรีก็ยังเสียงเพลงเมื่อไออะไรเนะี่ยพวันแม่เขาบอกเขาพอไม่เหวีวันแม่ก็ฟังเพลงก็ว่ากันถามฟังเพลงเลยคิดถึงแม่ขึ้นมาน้ําตามันจะไหลก็ว่ากันนะี <c> ่ย <oughs> เขาก็มีเพงเลงอะไรเขาก็มาเล่าแล้วบอกฮะทาไมทําไมคิดถึงแม่แล้วน้ําตาถึงไหลแบบนี้ บอกพกฟังเพลงอย่างนี้แล้วก็น้ำตาจะไหลเลยก็บอกเอาแล้วชีวิตของคุณจริงๆเนี่ยคุณกระตันอยู่แต่พ่อแม่หรือเปล่าใช่ไหมหรือคุณเพิ่งจะมาคิดวันนี้คุณต้องคิดทุกวันที่แต่ย่าคิดถึงแม่ก็ต้องคิดบ่อยๆและคิดอย่างเดียวไม่พอคุณหาโอกาสตอบแทนท่านด้วยใช่ไหมไม่ใช่คิดอย่างเดียวเนียต้องตอบแทนท่านด้วยแต่สาคัญคนมันหายากไอ้คนสอประเภทเนี่ย กระตัญยูกับกระเวทีเนี่ยหายยากในโลกก็ยากจริงๆนะเพราะมันไม่ใช่กระตันยูต่อพ่อแม่อย่างเดียวนะใช่ไหมเขาบอกอะไรนะกระตันยูตอบุญตนเองด้วยไหมเอากรตันยูยังไงกรตันยูตอบุญเนี่ยฮะคือชีวิตอัตภาพที่ได้มาเนี่ยมันได้มาเพราะบุญก็ระลึกถึงบุญเก่าเมื่อระลึกถึงบุญเก่าก็จงทาบุญใหม่เนี่ยใช่ไหมคือตอบแทนบุญเก่านั่นแหละ ถ้างั้นบุญเก่ามันจะหมดที่เราได้วิบากมาเนี่ยมันเป็นวิบากของบุญนะก็ให้นึกถึงอุปการะของบุญที่ทำมาก็จงเจริญบุญเนี่ยใช่ไหมได้อัตภาพที่เป็นบุญมาแล้วเนี่ยก็เอาอัตภาพที่เป็นบุญเนี่ยเจริญบุญให้ดีอย่างนี้เขาเรียกว่าคนมีกระตันอยู่แล้วก็กระตาเวทีต่อบุญบุญของตนถ้าอย่างนี้ถูกซึ่งหายากอยู่เหมือนกัน คนสองประเภทเนี่ยหายากในโลกผู้เจ้ากหายากที่สุดในโลกไม่ใช่หาง่ายๆในมงคลเลนะี่ยในมงคลเป็นอย่างเงี้นี่ยหายได้ยากเอะตรงตอนนี้ไปถึงไหนเลยเนี่ย น, นี่นี่สมูหักสมูหักในการรับไอการไอเสียงเนี่ยการรวบรวมเสียงเนี่ยต้องรวบรวมรักต่างๆประการต่อมาคืออะไรนามมักนามนามมักข้าหน้าวิถี เป็นวิถีที่เกิดต่อจากสมูหักคณาวิถีรับนามะบัญญัติชื่อเนี่ยรับชื่อนั่นเองในตอนนี้รู้ชื่อแล้วเนี่ยเพราะเป็นคําพูดออกมาใช่ไหมมีรู้แล้วประการต่อมาก็อัดถักวิถีที่หเนี่ยคณาวิถีเป็นวิถีที่เกิดต่อจากนา ม, มะคณาวิถีเกิดขึ้นรู้อัดถาบัญญัติที่เกีก่ยวกับกิริยาการกิริยาการนั่นเองตอนนี้รู้กิริยาการการไปมานะ ส่วนประการต่อมาคือว่าจีวิญยักษ์ขณวิถีเป็นวิถีที่เกิดต่อจากอตีตักขาวิถีอันนี้รู้อะไรวิถีนี้เขารู้อะไรเนี่ยฮะรู้ความหมายของว่าจีวิญญักษ์นี่เป็นอติตักขณวิถีเหมือนกันมีเป็นการรู้ความหมายนะส่วนนามมรคนี่เขาไปรู้สรัทธาบัญญัติแล้วก็รู้นามบัญญัติด้วยเนะืรู้เสียงนั่นด้วยคําว่านามนามมรคนี่ใช่ไหมรู้เสียงรู้สรัทธาบัญญัติน่น ส่วนอัฏฐักนี่รู้อะไรรู้อัฏฐบัญญัติวจีวิญยญัตก็คือรู้อะไรรู้ความหมายของวจีวิญยัตที่เป็นอัฏฐบัญญัตินั้นประการที่7ก็คืออธิปายยักขณวิถีวิถีที่รู้ความประสงค์รู้ความประสงค์เกิดขึ้นรู้ว่าผู้นั้นเรียกเราและมีความประสงค์จะให้เราไปไหนจะให้เราไปหาลักษณะอย่างนี้วิถีนี้จะเป็นอย่างนี้อธิปายยักขณวิถี มองเห็นใช่ไหมเวลานั่นก็อธิบายกันได้นะตรงเนี้นะเห็นวิถีก็อธิบายพวกให้เขาฟังเลยนะว่าเออจะเป็นอย่างนี้แล้วตัวพ่ออธิบายได้ไหมแบบเนี้ยได้ไหมเห็นวิธีเนี่ยอธิบายได้ไหมเนี่ยเวลาคนเรียกเราวิธีเกิดยังไงเวลาเห็นคนกวากมือแล้ววิถีเกิดยังไงพ่อได้นะเดี๋ยวจะอ๋อไม่<อ>มเหมือนกันถ้าต้องการรู้รายละเอียดมันจะต้องมีพวกสังเกตวิถีสัมพันธ์วิถีวินิจฉัยวิธีอนะ อจ้าองอีกมากมายยังมีอีกเยอะแต่ว่าให้รู้อะในลักษณะอย่างเนี้ยเนะี่ยกว่าจะรู้ความหมายกว่าจะรู้อะไรได้นี่ไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยอ้าวถ้าอย่างนั้นถ้าหากว่าคนไม่เข้าใจภาษานมามักไม่เกิดน า, กนามมักคณวิถีไม่เกิดเลยเกิดแต่สมูห์ักก็รู้ไอ้อักัสนะสัฐานรู้แรงต่างก็รู้แต่ว่าไม่รู้ เไม่รู้ชื่ออย่างเช่นไม่ต้องอะไแล้วเราฟังภาษาอังกฤษที่เราไม่รู้เนี่ยต่างชาติเราฟังเราเราฟังต่างชาติเนี่ยรู้ว่านแต่นามะคณะวิถีไม่เกิดรู้วัตถุประสงค์บางทีรู้บางทีไม่รู้บางทีก็ตั้งใจวัตถุประสงค์ผิดก็ใช่บางทีก็รู้บางทีไม่รู้ไงาายมมก็ใช่ เพราะว่าไม่ชัดเจนทางน้ำมักคณวิถีเป็นอย่างนั้นนะเกิดอันนี้คือวีเรื่จังว่าเมื่อเรียกแล้วที่ถึงสิ่งนี้อันนี้ไม่ได้ถูอันนี้รู้รู้วัตถุประสงค์ด้วยนะรู้วัตถุประสงค์ฝรั่งไม่เข้าใจนะบางทีฝรั่งไม่เข้าใจก็กวากมือเรียกเนี้ยไม่เข้าใจหรอกอธิปายยักษณวิถีไม่เกิดไม่รู้วัตถุประสงค์ใช่ไหมเพราะประเพณนี้ประเพณนี้ต่างกันนี่ยมตนถอย่างยกตัวอย่างเช่นเราโบกรถใช่ไหมเออถ้า ถ้าหากว่าต่างชาติเขาโบกรถลงอย่างนี้เลยลักษณะบกลงอย่างนี้ใช่ไหมยอย่างเราบกลถอย่างนี้เอารู้วัตถุประสงค์ก็ะชัยเป็นรู้ความประสงค์เป็นวิธีที่รู้ความประสงค์ถ้าไม่รู้ความประสงค์จะเกิดได้ไงก็ไม่เกิดไปดังนั้นทำว่าจะเกิดหรือไม่เกิดก็ต้องดูตรงนั้นเป็นประมาณด้วยนี่ก็จะเป็นไปในลักษณะเช่นนี้นะในขณะที่คนอื่นกวากมือเรียกในขณะที่คนอื่น เรียกเราอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ัแต่ว่าความเป็นไปของวิถีจิตจริงๆนะ่ยมันมากมายเหลือเกนะินนะนะแต่ในกรณีอย่างนี้ก็รวมๆรวมๆมอ ม, มมาเออยว เ, เป็นอย่างนี้ว่า ง, งั้นนะนะรู้แค่นี้ก็ยังบอกโอ้ยดีแล้วเนะี่ยไม่ยอมตัว ร, รู้แค่นี้ก็พอแล้วเนาะนะนะอก็จะเอามากกว่า น, นี้ลําบากอ่เดี๋ยวต่อไปดูดูในนี้ดูในชีตนะ พอมาดูในเชิดเนี่ยต่อไปนี้แต่ทานุวัติกรมโนทวารวิถีเนี่ยสวิถีเนี่ยนะตีตะคานวิถีสมูหะคานวิถีอัตถะคานวิถีและก็นามมคณวิถีต่อมามาแบ่งตทานุวัตตุกามโนทวารวิถีนี่สิประเภทที่เกิดต่อจากจกขูทวาริกะอติมันตารมวิถีตัทธรมนาวะหรือมหันตารมวิถีชาวนาวะนี่แบ่งเป็นประเภท อติตักขณาวิถีเนี่ยแบ่งออกเป็น5้าประเภทนะแบ่งออกเป็นห้าประเภทถ า, ามอติตักขณาวิถีเนี่ยแบ่งออกเป็นหประเภทนะแบ่งยังไงก็นี่งไงที่เป็นโทสาชาวนาเลยที่เป็นกามว่าชาวนะ27เว้นโทสาสองนี่เป็นประเภ ท, ห น, นเ ท, ทหนึ่งในวิธีประเภทที่1เนี่ยนะเป็นการว่าชาวนะ27เว้นโทสาสแล้วก็มีแต่าลับน้11 ส่วนวิถีประเภท ท, เ ท, ที่สองวิสีประเภทที่สองนี่เป็นโทสาชาวนาใช่หไหมเป็นอุเบขาตธาธรรมะหคู่เบขาสันติรณจิตสองแล้วก็หมห า, าอุเบคาสยังเป็นกา ร, รมาผวังสิบอยู่นะส่วนวิถีประเภทที่สอันนี้ก็คือเป็นรูปผวังห้าแล้วก็กา ร, รมาผวังสิบนี่นะเกิดในรูปประภูมิสิบห้า แล้วเกิดในกาลมาภูมิอีกสิบเนี่นะแล้วก็เป็นกาลมาชาวนะ27เว้นโทสะสองผวังก็เป็นรูปผวังห้านี่นแหละกับกาลมาผวังสิบส่วนประเภทที่สี่กามะอุเวขาผวังหกเป็นโทสะชาวนะไม่มีอาคารดุกัดผวังนะในวิธีนี้ทีนี้รู้จักกาลมะอุเวขาผวังหกไหมคืออุเวขาสองเวขาสัตทีสองไม้บาก ให้บาอุเบขาสี่แล้วก็โทสากชาวนาลงในในวิถีนี้ไม่มีอาคารตุกกาภวังก็เพราะว่าภวังเขาเป็นอุเบขาอยู่แล้วนะรับอารมณ์อะไรก็ได้เอาวิถีที่พระเภทที่ห้านกามาสมมาวะสมมาสภวังสี่แล้วก็โทสากชาวนะอาคารตุกกาภวังห้าเพราะเป็นอติวิภูตารมวิถีถ้าเป็นวิภูตารมใส่หก <6. S 1> แยกกันไปนี่คื อ, อตีตักขณาวิถีนะส่วนสมูหักขณวิถีก็แยกเป็นห้าเพศนห้าเพศเป็นกามชวนะเป็นกามเะโชณะยีบเจเว้นโทสาสองนั่นเป็นเพศที่1แล้วก็เป็นโทสาโชวนะแต่ฐานอำนาเหลือหกนะดีเพศที่2ไม่ต่างกันจากอตีตักขณะ แล้วประเภทที่สก็รูปผวังห้ากามผวังสิบกมามเชลนะ27เว้นโทสะสองนี่นะส่วนวิถีประเภทที่4การมอุเบกขาผวังหกโทสะเชาวนะก็ลงเหมือนกันประเภทที่5้าก็โทสะเชลนะที่มีอาคารดุกับผวังปฏิสนธิด้วยการมสมนัสวังสี่ ไม่มีอะไรสงสัยนะแต่เพราะอัดถักขนาวิถีเหลือสามประเภทอ่า เ, เหลือสามประเภทเหลื อ, อยังไงแต่ทำไมถึงเหลือสามประเภทก็ต้องบอกว่ามีปัญจโวการะพระวังสิบห้าอัดอัถักข้นาวิธีไปไกลแล้วตอนนี้ไปไกลแล้วปัญจโวการะพระวังสิบห้ามีอะไรเนะี่ย มีได้ฮะ่ายตัวนี้เขามารวมไงฮก็ใช่เหตตัวนั้ น, อ, นอุบเบคาสันตีสองมหายบากแปดทุลุ่รูปาวิจระวิปากจิตห้า กามชานะยี่หกเว้นโทสาสองเว้นหะสิทำไมเว้นหะสิรับอัดทักข้าณาวิถีรับรับอัดทักบัญญัติการเมอบเบขาพระวังมีประเภทที่สองเป็นโทสาสชาวนะและก็ประเภทที่สามเป็นการผสมนัตพระวังสี่โทสาสชาวนะหายไป สประเภทหายไปไงวิธีไหนหายไปประเภทที่เท่าไหร่หายไปที่มีตถาธรรมนะหายเกลี้ยงเลยทําไมจึงหายอัตถคานาวิถีตทารมนะไม่เกิดแล้วเยไม่เกิดแล้วฉะนั้นประเภทที่มีตทารมนะจึงหลุดไปนามมัคคาวิถีก็เหลือสามประเภท ปัญจวาวาลังวังสิบห้ากามชาวนะยี่สหเว้นโทส า, าวโฉนะฮาสิตุปาแล้วก็เป็นโทสาวชาวนะปฏิสนธิโดยกามเวขาผะวังหกแล้วก็เป็นโทส า, าวโฉนะที่ปฏิสนธิด้วยสมนัตนี่เป็นนี้นะเป็นอย่านี้นะแอ่นี่ก็แยกไปนี่นี้เข้าใจนะมีอะไรคล่องใจตรงนี้ไหม เอออะไรนะอ๋อเป็นหกได้ถ้าในวิภูตารมวิถีอันนี้ในอติมหันตารมวิถีก็เลยมีห้าเหตุผลให้มาแล้ว ใจแล้วน ะ, ะต่อไปไปรวมรวมแต่ท่านุวติกามโนทวารวิถีในหน้าที่สิบเกแต่ท่านุวติกามโนทวารวิถีเป็นกามาชาวนาวมโนทวารวิถีนี่นะหรืออนุพันธกะมโนทวารวิถีเอ๊ะคำว่าอนุพันธกรมโนทวารวิถีนี่แปลว่าอะไรเนี่ย แปลว่าอะไรอนุพันธาการรนี้แปลว่าอะไรเนี่ยคืออนุพันธาการรมโนทวาริถีหรือสัมพันธาการรมมโนทวารวิถีวิถีที่เกิดขึ้นสัมพันธ์กันนะนะสัมพันธ์กันอะไรสัมพันธ์กับอะไร ออนั่นแหละเกิดสรับกันสัมพันธ์กันนั่นเองลักษณะอย่างนั้นนะขแหลกอนุพันธกะอนุพันธกะม อ, อัตติตักข้านะอนุสัมพันธกะมโนทวารวิถีต้องเว อ, อางนังไง คือต้องเรียกให้ถูกเงี้ยนสมูสมูหักข้หนะหานะอนุพันธกะมโนทวารวิถีอัฐถักข้านะอนุพันธกะมโนทวารวิถีนามัคนามะบัญญัติติกาข้านะอนุพันธกะมโนทวารวิถีแต่จะเรียกกันเรื่องเรียกกันใช่ไหมต้องเรียกทุกชื่อก็เงี้ขาสัมพันธ์กันหมดแหละ เขาเรียกว่ามินมีมีกี่ชนิดเน่ยที่จริงอนุพันธกะหรือแต่ธานุวัติกามโนทวารวิถีเนี่ยจะเขาจะต่อจากอะไรบ้างจากขูทวาริกะจากขูทวานอนุพันธกะมโมทวารวิถีโสตทวานอนุพันธกรรมโมทวารวิถีคาณทวานอนุพันธกรมโมทวารวิถีชิวหาทวานอนุพันธกรมโมทวารวิถีกายยทวานอนุพันธกรมโมทวารวิถีใช่ไหม เขาจะต้องสัมพันธ์กับทางจากกูทวารโซตัทวารคานาทวารชิวหาทวารกายยะทวารลักษณะเช่นนี้เขาเรียกว่าเป็นอนุพันธกะมโนทวารวิถีทีนี้ในอนุพันธกะเกิดติดตามมาด้วยการเกิดปราศจากวิญญาตมีไหมมีทำไมจะไม่มีใช่ไหม มองออกไหมตรงนี้เนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ามันเป็นวิธีที่เกิดสัมพันธ์กันจริงจ ร, ร, รอ๋อมันเรียกได้เออไม่ใช่ท่านเรียกได้สองชื่อ แต่ธานุนวติกามโนทวาระวิถีนั้นถ้าเรียกัจริงก็คืออนุพันธ์ก่าหรือสัมพันธ์ทกามโนทวารถ้าเราต้องมีอะไรไหมเพราถ้าเป็นเรื่อนี้ก็เป็นเรื่อ้เ<ๆ>ขาเรียกอย่างนั้นลเนนนนะลแบบเยแต่้ า, าตุานวติาากามโนทวารลวิถีอนุพันธกามโนทวารละวิถีท่องไปเลยส่วนใหญ่จะใช้อะไรก้นนั่นเลยฮะใช่ ใช่จริงๆเขาเรียกแต่ท่านุวัติกัมมโนทวารวิธีมีชื่อเยอะแต่ต้องจําดีแล้ไงแต่จริงตรงนี้ตรงนี้โหอะไรไม่ใช่คอมพิวเตอร์สมองของคนนะไม่มีเนื้อที่จํากัด <c oughs> ใช่ไม่ใช่จําไปเหอเห <c oughs> มือนทิ่กลัวจะเต็มหนี่ยไม่ใช่บงคนก็คิดอย่างคอมมนุษย์ปัจจุบันนี่คิดแปลกๆดีเหมืนกันนะ คิดว่าเออความจําตนเองจะเป็นเหมือนกับคอมพิวเตอร์จริงไม่ใช่ใช่ไหมถ้าเลอะเรื่องไม่ดีเนี่ยบางทีเราโอ้ยบอกเขาเรารับรู้ได้หมดรับรู้ได้หมดถ้าเรื่องดีๆหน่อยไหมจํากัดพื้นที่ก็ว่ากันหนึ่งจำกัดความจําจําไปเถอะใช่ไหม พระธรรมของพระพุทธเจ้าจำเองถ้ามีร้อยชื่อเข้าไปเจ้าก็จะสาธยายร้อยชื่อถ้ามีพันชื่อเข้าไปเจ้าก็จะสาธยายพันชื่อลองลองลอ ง, ลองคิดให้ได้อย่างนั้นดูดิคือเข้าไปเจ้าจะจําให้ได้ โอ้ถ้าไปนั่งให้ยย้ำตัวเองนะต้องนึกอย่างนั้นจำก็ไว้พยายามสาธยายก็ไว้สาธยายบ่อยๆโอ้โหในบางสูตรที่ท่านสาธยายพระธรรมของพระเจ้ากันโอ้โหฟังแล้วเราหน้าเหนื่อยแทนท่านนะเยอะจริงๆครับสูตรบางสูตรนี่โอ้โหทำไมขนาดนี้เนี่ยทําไมจําเยอะขนาดนี้เนี่ย เรียงเป็นหัวข้อเป็นเถาหมดเลยเนอะเป็นหัวข้อพระธรรมนั้นนั้นแหละใช่ไหมใช่เราบอกถ้าเรามองดูม <c oughs> มองอีกทีบอกคุณของพระเจ้าเนี่ยภานายังไงก็ไม่จบถ้าอย่างนี้ิยังไงก็ไม่จบเมือ่อ งั้นบางคนก็จึงรีบใหญ่นะแกขนาดไหนแล้วก็รีบเรียนก็อยู่นั่นเลยไอ้ประเภทเจอไม้เงาโมาืม่อตอนขวานบินนี่ต้องเล่นต้องเล่นหนักๆว่าไงคือต้องต้องเพียนเนี่ยเพียนถากบ้างปานบ้างเหมือนกันโอ้สมัยก่อนเนี่ยอาจารย์เรียนหนังสือแบบไม่ค่อยท่องเลยรู้ตัวเองเลตอนนี้มาท่องตอนแก่ย้อนตัว ตอนเนี้ยอาจาที่อยู่ในห้องบุบูบูมบูบูมูมอะไรทวันเ่นนี่ไอ้ตัวแพรที่ทวนใหม่ลืมเก no ่าอยู่เรื่อยแล้วับทวนไปเพี้ยนป่ะบอกนั่นแหละเพี้ยนจนตายไปนู่นแหละเพี้ยนจนตายไปนู่นเพียนไปนู่นบางทีฟังมหาลัยเชีสารทรายฟังสวดปาิโมกข์เราคิดอืมเดี่ยท่านจาได้มากกว่าเราเยอะนะอะไรเงี้ยใช่ไหม งนพื้นที่ในการจำว่าทำท่านเออจิตในการที่จะวิ่งไปตามว่าทำนั่นก็มันได้มีมากเลยใช่หมออย่างเราหูมือเพิ่มถ้าจะบอกกันในเกี่ยวเกี่ยวเรื่องการจำบาลีแล้วจำาไดน้อยกว่างี้อย่างนี้นี่เป็นต้น <c oughs> แต่ว่าจำมากให้ได้เป็นบุญมากก็นแล้วกันให้มันได้บุญมากๆจากการจำจะเป็นประโยชน์มากเลย จำมากเลยมีแต่เรื่องเครียดทางงานเนี่ยจำไม่ไม่มีประโยชน์ในเรื่องการจำความจำนั้นเลยมาฆ่าตัวเองซะจนได้ใช่ไม่ใช่จำเพื่อจะฆ่าแต่ก่อนแต่ก่อนเวลาเรียนเมื่อทําเอะไรรู้มไหมถ้าจำตรงนี้แล้วเดี๋ยวอาจารย์เขาจะได้เขาจะได้มองเออเออเขาบอกว่าถ้าจำตรงนี้ได้มากๆแล้วเนี่ยเราก็จะได้เรียนน้อย พรออาจารย์ก็จะต้องบอกเออเนี่ยท่องได้แล้วไม่ท่องอะไรได้เข้าใจหมดแล้วไม่ต้องมาเรียนก็ได้อะไรเงี้ยเนี่ยเออแต่ก่อนไปคิดถ้าอย่างนี้ไายได้น้อยเลยต่ทานุวัติกามโนทวารวิถีเป็นกามชนมโนทวารวิถีที่เกิดขึ้นต่อจากปัญจทวารวิถีโดยตรงมีสี่วิถีคือ โดยตรงนะที่เราเรียนกันมาเนี่ยตีตักขณวิถีสมูหักขณวิถีอัดทักขณวิถีและนามมักขณวิถีความหมายบอกแล้วถ้าเกิดต่อจากจากขุทวารวิถีขานทวารวิถีชิวหาทวารวิถีกายยทวารวิถีวิถีเกิดเป็นตามลำดับดังนี้ลำดับแบบไหนอตีตักข้าววิถีเป็นวิถีที่1เกิดต่อจาก จากกุทวาริกะทิมันตรมวิถีหรือมันตารมวิถีเนี่ยนะสมูหักคานวิถีเป็นวิถีที่สองอัดถักคานวิถีเป็นวิถีที่สามนามมักคณาวิถีเป็นวิถีที่สถ้าเกิดต่อจากโสตทวารวิถีวิถีเกิดขึ้นเป็นระดับดังนี้ดังไหนบอกอตีตัคขานวิถี สมูหักคณาวิถีนามมักเป็นวิถีที่สามเลยหเห็นไหมเห็นไหมนามมักคณวิถีเป็นวิถีที่สามส่วนวิถีที่สี่เป็นอัดถักมิสลับกันอัดถักคณาวิถีถ้าคําพูดมีพยางเดียวก็เว้นอะไรสมูหักคณาวิถีเว้นออกไว้อ่านยังไงเป็นสมูหักหรือสมู สมูหักฆาหันาวิถีนี่นะทำไมจึงต้องเว้นคำพูดคำเดียวไม่ได้รวบรวมนี่เป็นอย่างนั้นทีนี้ท่านแสดงวอกว่าแสดงภาพแตถานุวติกะมโนทวารวิถีที่เกิดต่อจากปัญจทวารวิถีโดยยกจากคูทวารวิถีขึ้นเป็นตัวอย่างอติตัก ข้านวิถีกับสมูห์ากข้านวิถีมีภาพวิถีเหมือนกันนะก็แสดงภาพเดียวอัดทกาข้านวิถีกับนามักข้านวิถีมีภาพเหมือนกันแสดงวิถีเดียวเช่นเดียวกันนะทีนี้ปัจจุบันรูปอารมณ์นี่เนร่นในวิถีเนี่ย น, น, น, น, นะ อติมห uh er ันตารมิถีตทารมนวาละอิสเดงพาวิธีนะการมาผวางสิบป am. ัญจทวารวชนะจากขุยัญทำทัศนกิจปัญจทวารวชนะธรมอะไรเนี่ยอวชนะกิจสัมปติชนะทำสัมปติชนะกิจสันติระนาสามทำสันติรณกิจพราะรูปอารมณ์นั้นสามชนิดเห็นนะโวอดทปนะนี่ทโวอดทปนกิจตัดสิน รูปารมณสามชนิดเป็นปัจจัยแก่กามาช่าหน้าหยิบเจ็ดเว้นตัวศาสองตทาธรรมนะสิบเอ็ดลงกามมาผวังสินั้นรูปารมดับแล้วที่พังคั้งขณะของตีตะวังเออของพังคั้งขณะของตทารรมนะดงที่สองเกิดแล้วที่อุปาทั้งขณะ ข, ของตีตะวังสิบเจ็ดขณะบริบูรณ์แปลว่าดับไปแล้วรูปารมณ น, นั้นเน่ะ วิถีที่สองต่อมาเป็นยังไงอดีตปัญจารมรับอดีตปัญจารมมองมาขวามือเนี่ยม า, าตีตักขณวิถีเป็นกางประชานะยี่บเจ็ดสมูหะขณวิถีก็รวบรวมนั่นแหละอดีตตูบารมนั่นแหละต่อมาแล้วอะไรเกิดดีกันอัฐาอัฐาขณวิถีแล้วก็ นามัคข้าหน้าวิถีเนี่นใส่ชาวนาอย่างนี้ก็ใส่ใส่วิถีจิตอย่างนี้เข้าใจนะนี่เข้าใจอย่างนี้มีเป็นวิธีหนึ่งส่วนวิธีที่สองเอเด้อเด้อเด้อดูดูวิถีที่หนึ่งเนี่ย กามชาวนายี่บเจ็ดเว้นโทสาสองแต่พออัดถักคณะวิถีกันนามะคณะวิถีนี่กามชาวนาเหลือยี่หกเว้นโทสาสองแล้วก็เว้นหัปปาสี่ตุปาถจิตส่วนพระวังเป็นรูปพระวังห้าแล้วก็กามมาพระวังสิบมองเห็นนะตรงนี้ คือเขาเกิดแบบว่าต่อมองออกใช่ไหมตรงนี้ที่ท่านใส่ไว้อย่างนี้นะมีความหมายคือว่าไม่ต้องการเขียนเยอะๆว่าของของพวกรูปประรมเนี่ยถ้ารูปประพรมจริงๆต้องชักขึ้นอีกวิถีหนึ่งอย่างนี้ไหมว่มก็จะเสียเวลาไปแหมก็โยงเชื่อมโยงแต่ให้เข้าใจนะถ้าหากเป็นรูปพระวังห้า ก็ต้องเริ่มแต่จากขูทวาริกาติหันตาเรบวิถีอ่ะแต่รู้ประวังห้ามมั้งมองเห็นใช่ไหมนั่นแหละตรงนี้ก็คือว่าให้เข้าใจกันเลยถ้าแม่ถ้าไม่ย่อไม่อะไรอย่างนี้เลยการนั่งเรียนวิถีก็จะต้องมานั่งเสียเวลาการเรียนกันอยู่อย่างนี้แต่จริงๆใช้คำว่าเสียเวลาไงเวลาเรามายิน้อย เดี๋ยวก็จะต้องไปกินอาหารเดี๋ยวก็จะต้องไปทํากิจเดี๋ยวก็จะต้องไปทําอะไรอีกเยอะเวลาพบพระพุทธเจ้าเรียนธรรมะเนี่ยมันน้อยนี่ยอายุก็สั่นอะไรมันก็น้อยข้อจํากัดก็เยอะสิ่งเบียดเบียนก็มากจะเรียนพระธรรมก็ยังลําบากมองออกไหมการศึกษาพระธรรมถ้าไปเรียนแบบละเอียดอย่างพรมก็เรียนกันอย่างเทวดาเรียนกันเนี่ยไม่ได้เลย แต่ทําไมยิงเลือกเกิดเป็นมนุษย์เอออน่าคิดไว้ตรงเนี้ยก็เออทําไมเลือกเกิดเป็นมนุษย์ล่ะทําไมไม่ไปเกิดเป็นพรหมเป็นอะไรกันเอาเอาทาไมไม่เอาไงเพรอแล้วเป็นมนุษย์กับเป็นเป็นเป็นพรหมอะเป็นมนุษย์กับเป็นเทวดาไหนดีกว่า